พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าเคารพผ้าของพระอรหรันต์วันนี้มีพระในวัดของเรา สี่สิบห้าองค์นะลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมมีสมณเนรด้วยหนึ่งองค์นานแล้วไม่มีสมณเนรมีเนรสมณเณรหนึ่งองค์อยไปหาดื่อนะเน้นอย่ไปหาดื่อนะลงตามหาบัวบาวาอกวะเข้ามาจะขับนะมอยากหลับเน้นเอาเถอะนี่ยเนีมันดื่มมันเด็กหน่อยมันสอนหยาก ก็คือพระเสนยหนะพระมันจะมีกฎระเบียบเสียหนิเน้นมันศีลมันหน่อยศีลศีลสิบเนี่ยมันยังทะเลทรลยยังไปหาเห่นกันเสียหนิมือหนึ่งจะเป็นหยางวันไปเน้นนอยอยู่พู้เดียวอยู่วัดป่าบันตาต์วไปอยู่วัดป่าบันตาศ์ป้าใจเห่นเข้าไปเอาไปมาไปเฮ็ดบังไฟเหรนวันไปบัดเน้นหน่อยอยู่พู้เดียววันไปเข้าไปอยู่ในป่าวัดป่ามันเป็นเ่ปนเอ็กุฏิเน้นหน่อยแต่ก็จู มองหนึ่งวัเมองซอกเล็กสักหน่อยวนไปไปล้วไปหาขูดขูดหัวไม่ขีดไฟากาปืดหนึ่งวไปขูดขูดขูดเช่น้วก็เอาวแอกระดาษเช็กแกลเลตที่เป็นไฟ่ๆนะ่ะจะแข็งแขงกันเอามากกับมากห่อหอใจมือวนเรไปพอห่อใจมือเชแล้วก็เอาไ ม, ม, ม้ เ, มมๆๆ เ, ามาเสียบเชก็เอาไฟล่นวนไป พอไฟรอนมันก็้อนก็มือเป็นหมวกมือก็ไฟมันเล่นอยู่ผู้เดียวเลยไปลงตาพอนไปตรวจเนี่มาแล้งแ้่หมดเไปตรวจเ่ยคือนหมดไปพอก่างไปเบิ่งกันเลมันเหตุเน้ยนู้นแเนยเห็นแต่บางไฟคือดชดชดช้าไปเบิ่งมันได้นหน่อยกรอไป เน้นน er ่อยเห็ดบังไฟเล่นผู้เดียวมันไปมันมุดมมไม่แน่เล่นน่วไปโอ้หัวมันขีดไฟมัจะซักกองมันไปคูดแต่หัวมันน่มากเันมากๆห่อหอห่อมัดจุดหรจุดเล่นนี่แหละคนวันเน้น่อยห้องวายากลับเนาะพอพ่อญาติเห็นลงตาถ้าจสีบาจากไหนเอจังน้น่อยเขหนอยเห็ดบางไฟ แจ๊คซีวาร์อยู่เลยพวไม่เห็นค่าหนังค่าเขาเราแจ๊คจะไปทางใดมาหรไปแม่แม่เฮ็ดเล็บแม่ไปหาพ่อวนาลงตาให้บอลงกองกอยออกมาเลินไปนี่แหละเน้นหน่อยลงตาเพิ่นเคยบอลเพ่นเคยเล่าในท่าในหลวงพอฟังนะเพิ่นเคยคูเน้นหน่อยเป็นเน้นห้องมายักรับหน้าจะเป็นวามัน ออกนอกรูดนอกทางไในมมันพาไปยังมีดกดมีระเบียบแน่นหน่อยมันสอนอยากอืยังเป็นเด็กน้อยอยู่หลวงตาะเมื่อข่าวที่แล้วในหลวงพ่อลงไปกรุงเทพนะสทาญาติโยมอไปฉันจังหันเขาก็แนะนําผู้นั้นผู้นี่แนะนําผู้นั่นเป็นนัผู้นี่เป็นโอ้มิแต่เจ้าใหญ่หนายโตปัดเเขาก็เลยแนะนํา บเนี่ยเนี่ยผู้นี้เนี่ยเป็นผู้รับผิด ช, ชอบในสวนยางเอ่อเตียงราคายางของประเทศไทยผู้นี้แล้วผู้นึงผู้นึงเป็นผู้ใหญ่รับผิด ช, ชอบในราคายางของประเทศไทยพอหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ตาพ้งเร็วโอ้ใช่ท่านหลวงพ่อฝากไว้ด้วยนะถอึอยังไงยังไงอย่าให้ราคายางตกกว่านี้นะ พยุงขนาดนี้แหละรักษาขนาดนี้ไว้ละ่ะถ้าราคาถ้ายางราคาตกเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่ชาวบ้านนะมันเดือดร้อนก็ต้องพระด้วยนะเพื่อนก็ตกใจขึ้กันว่าผมเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนไปหาเดือดร้อนหอดผ้าอะไรไปเนี่แหละเวลายางเขาราคาแพงนะ่ะ เ, เวลายางเขาราคาตกนะ่ะเวลาชาวบ้านเขาใส่ยาใส่บาทเนี่ยมีแต่ขนมเชียงไห้เวลา เวลายางราคาขึ้นเนี่ยมีเขามีกล่องข น, ข, นขนมขนมนมเนยเขามีกล่องใส่บาทเพราะฉะนั้นพระก็ต้องอู่ฟูไปด้วยเพราะชาวบ้านเขารวยก็าชาวบ้านเขา เ, เศรษฐกิจไม่ดียางราคาตกเนี่ยมีแต่ขา้าขนมเสียงหฮ้ใส่บาทเพราะเดือดร้อนไปทางพระด้วยนะเพราะฉนั้นท่านต้องรักษาราคานี้ไปหน้าเขากูหัวเฮ้ ที่แรกทีแรกคนก็ว่าเป็นอย่างเดือดร้อนกับอดภาอย่างราคาตกคนลงไปปอนก็หูผึ่งคืนเมาเละหลวงพ่อเบาเลยพ่อพ่อหลวงพ่อทนว่าเขาอย่างราคาตกเนี่ยราคาต่ำเนี่ยเออบาเวลาเจ้าบ้านใจบาดมีแต่ขนมเสี้ยงให้พอเขาโมมีเงินเลยขั้นลาค่าย่างแพงเนี่ยเขาก็มีกําลัง ก็ก็ซื้อนมขนมนมเน่นยเป็นกล่องเลยใส่บาทพระพระกับพ่ออายุได้ฉันย่อนมาเนี่แหละมันเดือดร้อนเนยติ่งอะไรไก่ทันพยุงราคาตัวนี้ไว้ครับเดี๋ยวนี้เมืองจีนก็คนน้ำทั่วมีอะไรเออแล้วก็ทางภาคใต้ก็มีน้ำอีกยางคงจะราคาขึ้นไปอีกอยู่ครับผลมาอะไรออ <laughs> บรรลงพอไปใส่ลงพอฝากไปเลยในะลูกหลานเลยโมเมนต์ที่เบิ้งแต่เจ้าของเนละเบิ้งลูกเบิ้งหลานนำพร้อมขึ้นกันนะอันใดที่มีประโยชน์ก็ฝากฝังไว้กับลูกหลานฝากฝัง ก, กับไฟกับประเทศชาติถึงยังไงถึงจะตับยังไงก็ไม่ให้น่าไม่น่าจะให้เกิน20สบถ้าต่ำกว่า20สลงมาแล้วโอโ้แย่มากเลยนะท่านนะถ้ายี่สิกว่าขึ้นไปแล้วก็ยังพอทํานองอยู่ อย่างน้อยก็อยากให้ต่ำกว่าสาสิบเวะแต่สามสบเออพอลืมตาอ้าปากได้อันนี้ในฐานะที่หลวงพ่ออยู่กับพี่น้องลูกหลาน ฟ, ฟังฟังดูแล้วเนี่แหละหลวงพ่อไปฉันในกรุงเทพเมื่อข้าวที่แล้วนี่นะเมื่อวันทีเนท่เก่าวันที่เก่ามกราหกศูนวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ด ม ก, กราคมพุทธศักราช2560มันให้เป็นวันขึ้น14ค่ำวันพุ่งนี้เป็นวันพระเนอะคณะทายาิโยมโลูกลานทุกคนอย่าลืมวันพรวันเจ้าเตรียมตัวไว้วันพาก็คือเป็นวันที่ รักษาศีลอุโบสถรักษาศีลหาประกอบคุ้นง่มความดีของเฮ้าเนะ่เฮ้าเป็นพุทธศาส น, นิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายางหน่อยแปดคำสิบหาคำเรือวันพระกลางต้นเดือนกลางกลางเดือนปลายเดือนอออหัวเฮ้าควรนจะ รักษาคุณงามความดีรักษาสินรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยแต่าหากว่าเข้าบวตื่นตัวเฉลยเออบอดดิตก้าวเตือนตนเองเลยวันไหนก็วันเก่าผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันบ่าน่าจะถูกได้ลงพอวาเพราะนั้นขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกคนนะถึงวันพระวันเจ้ามาก็เตรียมตัวเตรียมใจประกอบคุณงามความดี ตื่นขึ้นมาแต่เศร้าก็ไหวพระอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนเออมือนี่เป็นวันพระของเฮ า, แ ล, า, าลแล้วเราก็สมาธานศินโลดแหละบ้านีออีม่านี้ปัญจศีลาสมาธิยามิหรืออีม่านี้อัฏฐสิกขาปะท่า น, นี้สมาธิญ่ามิขาไปเจ้าจะรักษาศินแปดเนอมือนี่และขาไปเจ้าจะรักษาสินหานเนอมือนี่เอ่อไอ้ข้าว ตอนตื่นแต่เศร้าเอาแต่เศ้าเลยละ่ะจากนั้นก็สามารถท่านชินมาเลยๆเล ย, เลยเรักษาชินหาเหตุอย่างไรเข้าก็หูวจักอยู่แล้วได้ระมัดระวังกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็มิถึงจะมีถึงจะบ่ได้รักษาชินหาเข้าระวังในระดับหนึ่งแต่พอรักษาศีนเข้าต้องระวังให้เข้มงวดขวดขันกันเองแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเข้าเป็นพุทธศาสานิกนชนหรืพุทธบริษัท เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูป้าอาจารย์อหลวงพ่อวันไวายพระสวดมนต์ไม่กวรจะขาดนะก่อนจีรับเจนนอตเนี่ยย่างหน่อยต้องกราบพุทธโธธรรมโมสังโฆบำเป็นกราบสามเถื่อได้แบบสอนเล็กหน่อยกราบสามครั้งนะจะไม่กราบอยัางกาบสามเถื่อกาบเลขสามสิมันจะได้ยังกงกาบต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระทับผสม กาบขั้งที่หนึ่งวาพุทธโธกาบระลึกถึงพระพุทธเจ้ากาบขั้งที่สองระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมโมกราบขั้งที่สกราบถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ดารงส่งศาสนาเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ น, นถำถรำคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ เ่าสังโคนะพราะะฉนั้น เ, เท้เากาบต่เลยเถื่อเทาตรงว่าพุทธโธธรรมโมสังโคนะและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นถึะบรรยายก็ได้วันนั่งย่ายอลหังสัมมาสัมพุทธโธเพระเาะกว่าพุทธท่านเพระก็วันต่างอภิวาเทีพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกถ้ำอ่าเป็นผู้ใดตัตสรุเองโดยชอบสวาขาโตข้าพเจ้าขอ ขราวะถ้ำค่าสอนของพระพุทธเจ้าสุปฏิปโนพระเขาว่าตสาวกสังโคะสง์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเฮาจิบันละย่าดิสันก็ได้ขานาบอพุทโธธัรมโสังโค่นไปว่าเบาเบาแต่เงาบันเนปอลาหังกษาวาสุปฏิปโนบรรลย่าบันเนมีคุณประโยชน์จังไหน เอ่ยแต่จิบรรยายน์กวนังก็ได้อฟอิติปิโสภควาอาราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชฌารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอันนั้นแปลว่าบรรยายนิย่าวนะไปเป็นผู้ดูแจ้งโลกโลกกวิทูอนุตรโรเป็นอนุตรสั ม, มาสัมโพธิญาณสวาขาโตภควตาธโมพระธรรมของพระโพธิเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นสวาขาตธรรมเอ่เป็นผู้ตัดพระองค์ตัดไว้ชอบแล้วดีแล้วเอ่ ควรจะเรียกอใจของข้อของมาหาเบิงมาเบิงในถ้ำตู้แจ้งเน้นจริงในถ้ำของพระพุทธเจ้าแล้วก็สุปฏิปโนประสง์สาวกของพระพุทธเจ้าบรรยายแะตอนี้สามีผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติอยู่ในหลักถ้ำข้าสอนคือพระสง์สาวกเป็นกระไลไปแหละพระสง์สาวกน่ พระโสดาบันพระสกทาฆามีพระอนาค่ามีพระหันเน่ยคือพระสงฆ์าสาวกแปลว่าสงฆ์ถาวรนะยังสงฆ์ทั่วไปในสงฆ์สมุตดสงฆ์สมมุติก็คือนี่แหละมีพระผ่ากาสาวพัดคล้องมีศีสะหล่นอันนี้ว่าสงฆ์สมมุติสงฆ์ที่แท้จริงสงฆ์ที่เป็นแก่นคือพระโสดาปันพระสกทาฆ่ามีพระอนาค่ามีอันนั้คือสงฆ์ที่แท้ นั่นสงสมมติแต่ว่าสงสมุติแต่สงที่แท่เฮ้าก็บงจักคือกันว่าเพลินเป็นสงจังไดเฮ้าก็ให้ความเคารพ ก, กาไหวยเพลินเห็นผ่ากาสาวพัดเฮาก็ยกมือไหวคือเก้านั่นแหละเพราะว่านี่อือันนี้คือท่องช่ยของพระหันเป็นท่องช่ยของพระพุทธเจ้าคือการเฮาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยค่ะนับว่าเฮ้าไปเห็นท่องชาติไทยยุไสยไปปักอยู่มองใด ในโลกในสถานทูตเนี่ยเฮ้าก็ยังเข่าโลกในท่องชาดของชาดไทยของเฮ้าอันนี้คือท่องชาติไทยของเฮ้าอันนี้คือกันผ่ากาสาวพัดผาย้อมแกนขนุนเนี่ยผ่ากาสาวผ่าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดน้าฝาดขึ้นนาแกนข น, นุนพวกแกนข น, นุนพวกแกนใหม่ย้อมขึ้นมาเลยเป็นสีออกมากจังได อั น, นว่าพากาสาวะพอเห็นภากาสาวะนี่ยเข้ากอยกมือไหวเอออันนี้คือธงธงชัยของพระพุทธเจ้าธงชัยของพระหันผู้ตัดกิเลสนี่แหละอันนี้ก็คื อ, คอห้องให้เกววียรติพุทธพระพุทธปฏิเพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์เป็นสาสนาเป็นที่พึง่งเพราะเข้าเป็นพุทธบริษัทเด่นนี่แหละ จะมาพูดมากล่าวถึงเรื่องนี้เรื่องภากาสาวะเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์จะมีในในขั่งของเฮ้าเลยในขั่งพระพุทธเจ้าในขัางพุทธการตั้งข้างไหนหนมาจากนม น, นันเออเป็ว่าภากาสาวะเนี่ยเป็นภาที่เป็นที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลายทรัพย์ทรัตทั้งหลายให้ความเข้ารบนะขนาดพระพุทธเจ้า สวยพระชาติเป็นช่างสร้างป่าเนอะเป็นเป็นหัวหน้าจ้าฝูงเนอะเป็นเป็นหัวหน้าจ้าโขงเนอะเป็นโบเนฟังฟั่งโบเมนน่อยแต่บริวารเป็นรลอยๆพันๆเป็นมืนๆเน่ะอยู่ในป่าหิมาพานต้องจะเป็นหุบเขาใหญ่พอสมควรนะเป็นทีนแรงของช่างอยู่นะแต่นี่พระประเจกพุทธเจ้ามันก็อยู่ในเขาขั้นธรามดในระแวกนั้นขึ้นกันอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำ วันท้ตอนใบใบามากันล่งเพิดเขาล้มมากสรงน้ำเพระส่งน้ำเพราะกรตากผ่ า, าไหวแอบตากผ่าไหวละเพราะกระล่งสรงน้ำแล้วก็พวกมูสร้างงูยังก็มากเขารุกเป็นเพเห็นพวกนั้นนั่งคุกเขาเอาคุกเข่าเขาลุกเป็นแล้วก็ย่างไปหากินยาตัวไดมากกัปองหัวหน้าพาเห็ดเลหัวหน้าสร้างเป็นหัวหน้าโพธิสัตว์เมนบลั เห็นพระปเจกมันก็จะแดนคว้างขอรบคูเข่าแล้วก็ยางไปตำหนักมากกับคูเข่าแล้วก็ยางไปบาดนี้ไน่ผ่านปลาบัดนี้ไน่ผ่านปลาเนี่ยผ่านมาจากในเมืองมันอไปเนีเพราะมันถือกินมันก็แล่นก็ลัทธิทางมันออกไปมันบมสูรมันยิ่งโม้ไรบาดนี้บาดนี้ไน่ผ่านนี่ก็ไน่ผ่านปลาเนี่ก็ไปเห็นพระปเจกต้องสงนามมันออไปแล้วก็สร้างมากับ ทั้งสรั่งง้าพอมทางสร้างบ่สรั่งบ่ง่าพอมเราไปมากราบโอ้ยก็ะมันมาอยู่ใกล้ๆ ก, กูใช่ไหมสิกูกะจีเอาเน่ายาผิดอาบอาบยาผิดกูก็จี ย, ยจิ่งสชตัวมันเอาง่าเยา้ยาๆเลยแล้วงไอ้เนี่ยกูก็จีเลือกเอาใดไอันนี้มันเลือกเพราใดมันอยู่ในป่าน่ยไหมเฮ้ยเห็ุอย่างใหนอพอดีไอ้คนสวมก็ ม, มีความคิดขึ้นกั น, น, น, น, นไอลูกหลานนอ้ไอ้ในผ่า น, นอนไป พอเป็นนั่งจอบอยู่ในสาแนานู่ไปเอาไปม้ามือหนึ่งก็เลยไนพ่านพลเรือนเห็นพ่อประเจกต้องไปสงน้ำวนออไปพนก็บบไดระว่างแล้วแต่ตามผู้หญิงพ่อปเจกน่าจะมีย่านาัศนะกขึ้นกันเลยอน่าจะซ้องเออมือนีไนพ่านจีมากขโมยผ่ากูได้แต่๋พวพนก็บาดได้ขึ้นเฮือกวนลงไปเอ่อพลเกิดพลเกิดโคงจะปฏิบัติย่านาัศนะของเผื่อขึ้นเป็นบกต่างหมดมือเป็นเฟนมั้งเอ่อพลเกิดโคงจะ ลงไปส่งน้ำพ่อไปลงไปส่งน้ำแตนนนะ่น่ายพ่านย่องแยงไปรักผาพรอปรเจคนไปไปขโมยเอาผาพระปเจคนนุณลงไปพ่อไปขโมยได้กหอบมวนได้ก็เปิดอาลารนะ์พรอปรเจขืนมากเที่มันทไหนเขคงจะมีแต่าผาจะบ่งนุงบังบาดเนี่ยเาคงจะผาจีวรเคงจะไนไ่านขโมยไปแล้วลงไปไงพ่านก็จะเลือกเอาผือนใหญ่ที่มันหมดละผืนน่อยก็ไว้เ พ่อปเจก็เลยพ่มีผ่าวนู้ไปพ้นก็ไปคลองเพิินไปพ่อไน่ผ่านในผาจีว้อนผืนบักไงมากัเอาละบาทนี่มาจะได้พ้นก็จะเป็นนางน่ผ่านก็เป็นนางอยุคคางคางนั่งไปข้างคางทางช่างเมาไปพ่อสร้างโค้งนั้นเป็นสร้างที่นิสัยดีอยู่แล้วพอเห็นพ่อปรเจกันก็คุกเข่าเหมือนบัวละมันเห็นผ่าเดยผ่ากาสาวะเดยเอาผ่าคุมหัวเส่็จก็นั่ง บาไฮตัวนั้นก็คูกเข้าไปขับไปก็ที่สองบาไฮตัวชุดไทยหมนแล้วบาไ้เอาตัวที่มันหางๆ ม, มาหางๆมูมันลงไปผมมาห่างๆมูมันมัมีตัวใหมากแต่เด้ตัวนีนย ง, ง่ายเง่ากมูสันในพระปริเจกปอมนี่กับ น, นผ้านนี่ก็บพวกกีบมากกับ ท, ทะนุมนก็คืนห่างไ้แลยมันบ่ละทเตียมพ่อมนันเลยโลมา ก, ก็สาดลนแล้วเ น, นี่ไปยิ่งสร้าง ยิ่งเข้าไปกันสร้างก็ห้องอาบอาเตัดโตื่นมาแลนหนีพอไปพอมันเดี๋ยวไปสร้าง ม, มันถืออยังมันยังห้องมันบุมมากซอยกันปลาในตอมากกสร้างตัวนึงก็าา ต, กตายแลกไปตัดเอาง่ามันตัดง่ามันไปขายไปแลกไปนั่งจมูกอื่ด อ, อีกห่างๆมันสร้างปลาดวงใหญ่เด้ไปกัเห็ดเอาผ่าคุ้มหัวคือเขาเนะี่ยผ่าพระปเจดพื้นดัง ก็ยิงงง่งอีกคนไปพอยิงง่งได้งาสร้างตั้ ง, งาสร้างเอาไปขายแล้ยไ ป, ไปนั่งมองอื่นอีกเอเอมันมันด่งใหญ่เด้เออคือมานางยอยู่เพื่อ น, นามโสมมานางอยู่น้ายุ่งสินเป็นน่งอยู่พคนน่ะสังคมคนน่ะมันสร้างไปจู่จัดยังไงมันหมดคุณละมองเลยทีมด่งใหญ่อ่ะเอ่อบานี่พระโพุทธศาสนเองสร้าง ของเขาบริวารของเข่าจังลอยหลอโดยเฉพาะยังหญิงสร้างง่ามันเป็นยังเมื่ไปมันเป็นยังหนอนมันจะเป็นพระพระเจกปอมนั่นมากผนวได้บาทเเป็นเป็นเป็นเป็นผ้าพระเจกปอมเออนี่แหละคือการสังเกตทดี๋ลงไปอการตั้งความสงสัยนั่นแหละคือปัญญานะเนาะผญาสร้างง่ายนี่ก็สงสัยแบบนั่นแหละ สงสัยพระปเจกองนัง่นที่มเมป็นปอมคือจิงกับปูหูดี่เอาผาคุ้มหัวอยู่นั่นนะอะบาด น, นี้ก็สัง่งไงตานี่ก็เลยสัง่งพระ ญ, ญาติสางเนี่ยก็เขาไปเลยเพ่อเขาไปตาน้นก็ไกลๆตาน่แต่ละนายนนนผ้านี่ยก็ควัาเกศออกมาจากผ่าจีวอนเพื่อนวันออกไป กะมองจียกท่นั่นนะ่สร่างก็โดดเข้าไปเรยววนลงไปยางยิ่งหมดท่านๆอยู่แล้วต่ป๊อเลยววนลงไปต่ป๊อปก็ครบเร็ววนลงไปพอครบโอ้โหมันหมดเปนพรประเจกตัวนี้วันนี้พระประเจกปอมตัวนี้วันที้เออเอาไหนจะเมียนเดี๋ยวนี้เราสันได้เออในพ่านหมู่กอซอเราวนลงไปมากกว่าเหยียบทะนูมันหาบ ่วนะมันถิ่มออกเลยฮัดฐานโนม้ว เ, เรียบร้อยเนะี่เออพญาร้างยังสงยังสงนั่นอยู่เลยเอ่อนยังมีเมตาอยู่ายนะโอ้โหถ้าเธอนี่นะเด่นะถ้าเราไม่เห็นผ้าเออผ้าภาคผ้ากาสาวัพัฒน์เนี่ยผ้าธงชัยพระหลัหันเนี่ยข้าแยกเหยียบเธอให้ละเอียดแล้วนะแต่เอานี้เอาเถอะข้าจะไม่ทำความชั่ว เพราะเราขอรบในผ้ากาสาวะเนี่ะพอเธอเอาผ้ากาสาวะมาคุมผ้าปอผ้ากาสาวะเนี่ยไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้เบียดเบียนกันให้มีเมตตาต่อกันผ้ากาสาวะเนี่ยคือธงชัยของพระละหันธงชัยของพระพุทธเจ้าขงธงชัยของพระสาวกสาวกพระเจโตรพุทธท่านไม่ให้ทําความชั่ว ธงชัยอันเนี้ยภาคกาสาวะเนี่ยเพราะนั้นถ้าจะไม่ทำความชั่วแต่เธออย่าทำอีกนะต่อไปถ้าเธอทำต่อไปเ น, เนี่ยเราจะจัดการเจ้าให้เด็ดขาดกว่านี้ไปออกไปนายนผ่านตัวหนก็เล็ดพยวลาบตายหายห่วงเร็วมันไปวะออกมาพวกเขาไปอีกมันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าของเฮาขนาดสวยผชติเป็นพระยาช่าง ก็ยังเขาหลผ่ากาสาวะคือผ่าเหลืองวนไปผ่าย้อมฝาด้วยแกนขนนนี่แหละพวกเข้าคืดกันนั่นอันนี้คือธงชัยพระหรหันต์แตว่ว่าผู้ที่เอาผ่ากาสาวะของพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหรหันตาสาวกมากข้องแล้วคานวธร้ำข้อมชัวอยู่ก็คือกันกับนายพ่านนั่นแหะเอาผ่ากาสาวะมากข้อง พ่อเลี้ยงชีวิตพ่อเลี้ยงชีพเจ้าของบ่น่าจะถูกได้หลวงพ่อว่าเมื่อเข้ามิภากาสาวะ ต, ต้องคิดดีคิดต้องคิดไปในศีลในธรรมต้องทําก็ต้องทำํำ อ, อยู่ในกรอบของศีลธรรมการพูดก็เหมือนกันต้องพูดดีนี่แหละการว่าคิดดีทดําดีพูดดีกรรมดีที่การกระทําทางกายทางวาจาทางใจนั่นะจะเป็นเครื่องเกื่อกูณหนุนพวกเข้าพวกเข้าจะ ไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่แต่ความสุขความเจริญไม่แต่ความสุขความเย็นใจถ้าหาว่าพวกเข้าเห็ุบอดีเนี่ยคิดบอดีทำบอดีก็ยังนี่แหละในผ่านภูนั้นแหละไปลักพระไปลักผาพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยเาบอกเป็นบาปกรรมหน่อยขึ้นกันเนี่ยผาแห้งหายากบานเนี่พระประเจกปันจิตไปหาผาแต่ใสอีกพูดในบ้านเนเออพระ ผาจีวอแหงหาหน่อยแหงหายากในป่าในดุ่งในผ่านไปยังไปหาหลักผ่าจีวอพระประเจกอีกตังหกักคนละไปมาหลักมาแล้วตาจะทําคุณงามความดีหลักมาแล้วมาตุ่มเจ้าของไปยิ่งสร้างคนลไป อ, อไปดักยิ่งสั่งป่าอีกพอสั่งเป็นสั่งโขงใหญ่เด็กลุ่มใหญ่คนลไปยิ่งหมองนี้แล้วยหญ่ไปอีกอีกของอื่นไกลๆคนละ ไปทำความชั่วความชั่นึงก็มีปัญญาขึ้นกันได้ไอ้ท่าจิทัพทเทจะเฮตความชั่นึงก็มีสติมีปัญญาบอมเมนใช่หน่อยคือกันนะไอ้คนงงงเฮตบ่ได้หอกเฮตความชั่วบางสิ่งบางอย่างมันเฮตบ่ดได้เฮตได้แต่แบบงง ง, งนะแต่ว่ามันฉลาดข้นฉลาดแกมโกงมันทําเฮตมันเฮตได้อย่างคดอย่างคดอย่า ง, งโกงอย่าง ข้อรับชงข้อรับชับชนหมดเลยคือกันนะโดยมากเป็นแต่คนมีปัญญาทั้งหมดนะี่ยคือกันกำไรมีพลานนะี่ยมีปัญญาเนะีคิดใจคิดใจจังนะเองมันเท่าบมก้าคิดเลยมันบวชเลยไปหาคิดขโมยเอาผ้าพระประเจกพุทธเจ้านะไปขโมยเอาผ้าเพื่อนมะม่หุ่มมะหุม่มเจ้าของนะมานานันเอาทนูอาบด้วยยาพิษไว้ทางไงไปพอสร้างเขาม้าตัวใดตัวสุดไทยแล้ยนะมันห่างห่างมู มาถามลําพังมันมากขຸรบเลขวากขีของมาสร้างแต่มันกับไม่ได้ตั้งใจมันบ่ละแต่มันบม่ได้ตั้งใจแต่มันก็อาจจะมันอาจจะเบางบางตะตีนมันกับหัวหัวมันขຸลบเลยผลกับโยกมากับซัวเลยมักมองไดว่ะไงยิ่งใจยิ่งสร้างสร้างอาบด้วยยาพิษมันก็บห้องเลิศตายมันก็ตายนั่นถือยาพิษละ แต่พอพูดทฤษฎีพ้นตั้งความสงสัยไปไเนี่ยพ้นมีปัญญาเป็นหมดนะพ้นสงสัยเอ้มันเออมันเป็นพระประเจกแท้หรือเป็นพระประเจกปลอมเน่ยมานั่งอยู่อย่างนี้นะไม่น่าจะเป็นพระประเจกจริงนะเนี่ยแหละการการความการตั้งความสงสัยไว้ในแหละคือปัญญาคือการสังเกตเท่านั้นไปพอสังเกตตั้งความสงสัยไปเบิ่งมันอไปพ่อเขาไปใกล้ ๆ, ๆเห็นสร้างใหญ่มากเอาตัวนี้ละจะวางอย่นี้น ขว้าี่ขามากําลังมางผาเนี่ก็โดดตะปบเลยวนหนึ่งไปสร้างพระพุทธที่ซัดเนี่โดดตะปบเลยยู่เลยวันไปเหยียบไปเลยวันหไปม่วงกดไปเลยวนหไปยาหนาเออผลในสุ็เลยขันธวบรเห็นแก่ผาเพราะปฏิเจกเพเห็นไม่เห็นแก่ผ้ากาสาวพัดแล้วนะไปว่าผ่านคนนั้นไปวันแรกเลยแล้ววันหนึไป ไอ้เ น, นี่ยพนว่าเห็นแก่ผากาสาวะที่พระพุทธเจ้าพระประเจพุทธเจ้าสอนไว้ถ้ำความชั่วเนะนี่ยน่นแหละในประหลดัดพนเห็นเพียงแค่นั้นเพื่อกินยั่งยอมรับเนพะื่อนขอให้พวกเขาทั้งหลายเนะ้อไปอยู่นักสถานที่ใดเห็นผาทรงใส่ผาการสาวะเขาก็ยบมือไวหวพระพุทธเจ้าคนนะั้แต่ผู้ที่คล้องผานี่ที่เห็ุความชั่วเห็ุอย่างไรละ่ะซอยบุได้หละ เขาก็ต้องยดมือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยดมือไหวพราะปเจิพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระพุทธเจ้าผู้คลองผ่ากาสาวะน่ยแล้วก็ผู้พล้องกาผ่ากาสาวะปังพระลูกพ้าหลานของเข้าขึ้นกันจะคิดยังที่ถ้ำยังที่พูดยังใครสังเกตผู้ขานี่ผ้องผ้องผากาสาวะของพระพุทธเจ้านะีอันนี้คือท่องใช่ ของพระพุทธเจ้าท่องใช้ของพระหารท่องใช้ผู้มดจดจากกิเลสอาภิเษาจะคิดดีทำดีเท่านั้นพวกพาลูพระหลานกันอาจจะคิดยังสันคือกันเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนมทนาให้พรและพรนตรี น, น์